ฟนะังทำกันเนะาะหลังตาเป็นผู้พูดถ้าทั้งหลายเป็นผู้ฟังการฟังทำก็คือการฟังเรื่องของตัวเราเนี่ยแหละเรื่องของตัวเรานี่ก็มีกายมีจิตใจการฟังทำนี่ก็ ได้ยินได้ฟังได้ดูไดเ้เข้าใจยังใช่ไม่ได้ยังทำไม่เป็นแต่การปฏิบัตินี่บางอย่างไม่เคยได้ยินมันเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจปฏิบัติก็คือมีสติ เป็นผู้ดูแลกายใจอะไรมาแสดงออกทางกายทางใจจะได้รู้ได้เห็นถ้าไม่มีสติมันจะเป็นเข้าไปกับทุกเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ น, นั่นเช่นเราสาติยายพะสูตรเมื่อกี้นี่ว่าโโ ป, ปังเ ข, ข้า ม, รร ม, มาทำมนโเมนเสถามโนวายา ทำทั้งร้อยมีใจเป็นหัวนหน้าไม่ใจประเสริฐสุดสําเร็จแล้วที่ใจมันประเสริฐทางใดประเสริฐทางทอำชั่วได้สําเร็จถ้าคนคิดชั่วจะพูดดีก็ตามทําอยู่ก็ตามแล้ก็เป็นความชั่วไปแล้วแต่มันจใจทางไหนมันใช่ได้ไมั้ย เงียหน้าทางใดสับเบ็ดทางไหนเราใช้ใจหรือว่าใจมันใช่เราเรามาศึกษาดูมีสติคอยดูเลยมันดูมีสติเป็นสมองและภูมิเป็นที่ตั้งมันจะต่างกันอยู่มันจะเห็น จิตใจทวานของจิตใจคือมันคิดขึ้นวา <c oughs> าคิดทิ่ไม่ได้ตั้งใจเลยเ้นเคยเปิดเพื่อนเรื่องใดบ้าเคยไหลไประทานไหนก็คิดไปทางนั้นเราวางสร้างสติมันจะไม่ค่อยจะรู้ มันหนักหน่วงเกิดจากความคิดหลายเรื่องหลายราวแต่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดจากความคิดที่ไม่ตั้งใจมันจะต่างกันกับผมรู้สึกตัวแต่เราเห็นแล้วก็ได้รู้นี่คือมันคิดก็กลับมารู้สึกตัวดีกว่าการฟังเทศฟังธรรมเป็นเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคได้สอนใจ ตโต้ตบทักท่วงตรวจสอบปฏิบัติตกลับมารู้อะไรที่เกิดกับจิตใจที่มันคิดกลับมาลู้สักตัวได้สอนจิตมันหลงได้รู้มันเกิดอะไรต่างๆก็ได้รู้เป็นเกณฑ์ขี้วัด เป็นบรรทัดเป็นระเบียบวินยัยเกี่ยวกับคิดใจระเบียบเกี่ยวกับความคิดเจนพระชิตธาตนั่งหรือใต้ต้นโพการฝึกใหม่ๆกูเฉินเข้าเยื่อฉินออกรู้จักตัวตั้งไว้ ให้มีสติเป็นเจ้าของหายใจรู้ฉันเข้าออรู้สึกเหยียดฉันออกรู้สึกเวลาที่รู้สึกตัวอยู่นี่เราก็คิดไปถึงพิมพาลาหวนเราก็กลับมาเวลานี้ไม่ได้หมายคิดถึงลูกถึงเมียกลับมาเรียสอนจิตเวลามันหลงคิดไป มันเคยไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความคิดคิดได้ตะพื้นตะเพื่อได้รู้ได้เห็นได้โต้ตอบทับช่วงและรู้อลายเป็นระเบียบของความคิดควัมคิดอะไรที่ไม่ใช่สติเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ มันเปิดเพื่อนมันไหลมามันติดอะไรมาจะได้เห็นมากมายหลายอย่างที่มันเกิดกับปิดใจที่มันคิดไปเลื่อนไปอย่าั้งบ้าเป็นตัวเป็นตนกับความคิดคิดโกรกโกรกคิดแล้วก็ลักคิดเกียดก็เกียดคิดพอใจไม่พอใจเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ สุขนโลกมากมายหลายอย่างเกิดจากความคิ ด, คดจิตใจตาให้เราได้ทอมชั่วทอมผิดทมพาดอะไรมากมายวันหนึ่งเราหลงในความคิดเท่าไรวันหนึ่งเราลู้ในความคิดเท่าไรคิดที่ใดก็ไปกับความคิดแบบนี้มาฝึหัด ให้มันรู้จักตัวได้สอนตัวเองจะได้เห็นมันนอกจากความคิดก็มีกายที่นั่งอยู่เดินอยู่ซ่างจะงหวะอยู่อะไรที่มันเกิดกับกายหนักง่วงมากหลายหลายอย่างความเหน็ดเหนื่อยไม่ลิความร้อนความหนาวความหิวอะไร หลายอย่างร่วม ก, กันกับปิติใจเมื่อมีอะไรเกิดกับกายใจก็เกิดแนวร่วมกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยกายเป็นสุขใจก็เป็นสุขไปด้วยกายมันเหนื่อยใจก็เหนื่อยไปร่อยกายายมันหิวก็ใจก็หิวไปด้วยบางทีกายใจนี่ก็ เบียดเบียนกันเสียด้วยอาจเบียดเบียนใจใจเบียดเบียนกายก็มีมากมายต้านอนก็นอนไม่หลับเพราะใจบ้างเมื่อแตคิดหาเรื่องบางคิดในเวลานอนไม่มีกรรมฐานไม่เคยฝึก เราไปกับความคิดก็กลายเป็นความฝันนอนก็ไม่ค่อยจะอิม่มตื่นขึ้นมางัวเงียไม่ได้พักผ่อนเต็มที่มันหมดพลังงานในความฝันเหมือนกับความคิดบงแตงพุ่งซ่อนสังขารลายสังขารจิตสังสารมากมายแบบนี้เรามามีสติหัดลองดู จะเป็นเช่นรไยการฝึกตนศอนตนนี้แม้มันจะเกิดหลายขึ้นกับปลากับใจมากมายหลายเรื่องเราก็มีวิธีมากมายหลายอย่างหล า, หลายอย่างมาฝึกตนศอนตนนอกจากมีสติแล้วก็มีศรัทธาเชื่อมัน่นมีวิธีทำอย่างเชื่อมัน่นศรัทธามีความอดทน ในทุกเรื่องที่มันเกิดกับกากับใจมีความปล่อยวางที่มันเกิดกับกาชจิตาจมีความเพียรที่จะเปลี่ยนร้ายเป็นดีอยู่เสมอมีวิ น, นัยมีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้เหมือนหลอหวนนิมิตเกาะจับไม่หวั่นไหวไม่หลุดไปไหนง่ายเกาะขึ้นมาจับขึ้นมาไปแล้วกลับมา อะไรที่มันไม่ใช่สติโดยเฉพาะความรู้สึกตัวนี่มันเฉลยมัญหาได้ทุกอย่างสิ่งที่เบืงเกิดขึ้นกับกายกับใจนั่นแต่ตัวเฉลยเั็นเกณฑ์ชี้วัดรู้ผิดรู้ถูกหัดเปลี่ยนตรงที่อะไรที่ไม่ใช่สติหัดเปลี่ยนให้รู้สึกตัวลองดู มันจะต่างกันอยู่เช่นความหลงกับความรู้ควมทุกกับความรู้ความโกรธความรู้ควมง่วงกับความรู้ความเบื่อกับความรู้มันต่างกันอยู่ไม่ต้องจนเรื่องนี้เยอะแยะสิ่งที่เราหลงเขาไม่หลงกันแล้วสิ่งที่เราทุกข์เขาไม่ทุกข์กันแล้วสิ่งที่เราโกรธเขาไม่โกรธกันแล้วยังความเกียจข้านก็แพ้อย่างนั้นหรือชีวิตเลย ในความเกลียดข้านมีความเพียรมีความข ย, ยันเปลี่ยนให้ลูกจ็บตัวขึ้นมากระตือรือร้นในควา ม, มง่วงเหงาหนอนเปลี่ยนให้มีความเข้มแข็งสดชื่นขึ้นมาลองดูสิฝึกตนสนตนก็พอสมควรนนะมีระเบียบไว้ในปฏิบั ต, ติตอกกายต่อใจเอามาทําให้มันดีให้มันถูกต้องในทุกเรื่องมือห้านิ้วจิบนิ้ว ควาพูดความจาความคิดความนึกตา ม, มาสอนตัวเรามีจิติตั้งใจสอนมันอยู่สักสิบบันเจ็ดวันเจดวันตั้งใจสอนมันอยู่เนี่ยมันจะแสดงมาให้เห็นจะได้สอนมันทุกอย่างให้มันรู้ทุกเรื่องที่มันเกิดกับนากับใจอันนี้ก็เห็นแล้วอ น, นี่ก็รู้แล้วของเก่าของเก่าของเก่าจะให้มันมาโชว์จนมีเดอร่วมไปกับมันเสมอไป ไดรพบได้เห็นอยู่บ่อยๆมันก็ต้องคุ้นเคยต้องจำหน่ายูกหลอกอยู่เรื่อยเลยหลอกให้ชบอยู่เรื่อยเลยองหลอกให้ทุกอยู่เรื่อยเลยหลอกให้เบื่อหลอกให้เกลียดข้านอยู่นี่เลยมีประโยชน์อลไเราก็รู้จักตัวซะได้บทเรียนได้ประสบการณ์จากอาจจากใจที่มันเกิดขึ้นมาในเรื่องต่างๆเรวเราก็มีกรรมฐาน กายจากบ้างกายอะไรที่เกิดกับกายจากแต่ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ามีกายซ้ซนเข้าไปเพื่อเหนื่อยเมื่อยล้คือเราวงหิวก็คือตัวต้นเห็นกายโซนกายเข้าไปกายในกายนั้นเป็นตัวเป็นต้นกายในกายนี่มีภพอีชาติเป็เปรตเป็นสุรการเป็นสนาโลกเป็นเดรัจฉานก็ได้เรื่องเกิดในกาย ส่วนกายเป็นธรรมชาติเป็นลูกเป็นลูก ป, ประท้อมไม่จะว่าอะไรตั้งไม่ว่าแล้วแต่เป็นลูกมือห้านิ้วมาจีบนิ้วมาทำชั่วก็ทำชั่วตามมือของตัวเองมาปืนมายิงตัวเองก็ได้เอาบางจับมีดจับขวัญขวัญคนหนึ่นก็ได้ฆ่าคนหนึ่งก็ได้มันไม่ลูกก็ลูกเห็นแล้วแต่ใจมันเป็นอย่าง ใหญ่แบบป่าเถื่อนใช้ายให้ผิดผิดผันพาดบังมากแล้วสองมีพิษอะไรก็ไปกินสุบเยะบุหรี่กินเหล้ า, าจัดลักทรัพย์ไม่ทำดีเราจะได้เห็นเราจะได้สอนมันเปลี่ยนหลงเป็นรูที่หนึ่งข้อ ท, ท, ที่หนึ่งรูมันหลงที่ไรก็รูเท่ากับกลมหลงรูเท่ารูทัน ลู่เท่าลูทันลองดูอย่าปล่อยมันไปแตหลงเป็นหลงมันมีรอยมีเชื่อแล้วหลงเป็นลู่งจะลบจะล้างจะล้างออกถ้าลุกเป็นลู่อะไรก็ตามเป็นลู่เป็นลูนล่ทั้งหมดเนี่ยลองด้สุดฝีมือลองดูใชยใสใจลองดูจะทำได้ทุกชีวิตเนะ่ยไม่มีใครทำไม่ได้อย่าเอาอะไรมาต่อรอง เราคาล้อนคนสาวคนเท่าคนแก่ความหนุ่มองสาวความสุขคมทุกขม่ต่อรองเปลกต้นไม่มีอะไรต่อรองเหมือนเหนัอนกันหมดพระหลงก็เหมือนกับกอดโยมหลงผู้แก่ผู้เท่าหลงก็เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวหลงเหมือนเดียวกันลูกจิกตัวก็ไม่ใช่เพราะลูกก็เป็นของพระลูก โยมลูกก็เป็นของโยมคนห่มก็เูเป็นของลูกของคนหนุท่ันแจก็ลู่อันเดียวกับหมความลูจ้ จ, ล จ, ลลจักตัวอยู่กับพระเจ้าความรู้จักตัวอยู่กับเราอันเดียวกันหมดกิมรู้จักตัวอยู่กับพระหันกับความรู้จักตัวอยู่กับปุถุชนก็เดียวกันหมดถ้าหัดใหม้มีให้เป็นให้มากกันบงังเรามีความรู้จักตัวกับความหลงมากแค่ไหนอย่าง เกิด ม, มาถึงวันนี้ปูนนี้ความหลงกับความรู้อะไรมันมากกว่ากันเมื่อมีความหลงมากก็ไม่เป็นธรรมต่อกายต่อใจฉัน ส, สุขเป็นทุกข์มากเท่าไร่หลงมากเท่าไหรโกรธมากเท่าไหร่เคยสอนด้วยไหมหลองนี้มาสอนลองดูจะปล่อยอย่างนี้ชีวิตเราเราก็ว่าก็ถุงจงให้ถุงสุขกันกเกษ ก็คือนิพพานวงสูงควงมปาฏิหาริย์งามของสัตว์ทั้งหลายจงสำเร็จเถิดควงหลงได้เป็นควงมรู้ได้ไหมถ้าจะไปนิพพานถ้าจะมีนิพพานถึงนิพพานต้องเปลี่ยนเองว่าก็ไม่ได้ข้อก็ไม่ได้มันดุก๊กรู้จักตัวมันโกรธรู้จักตัวนี่ทางไปสู่นิพพาน ให้เห็นอย่าเป็ี่ยนไปกับมันเรื่องใดที่เกิดเกิลมากบใจนี่นี่จะเห็นไม่เป็นเรื่องกีเรื่องร้อยเรื่องพันอย่างเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นหมดทุกอย่างแค่นี้เองเพียงหน้ามือหลังมือจะเป็นเหมือนกันหลังมือใจเห็นเรื่องอะไเหมือนกันหน้ามือปฏิบัติคือเปลี่ยนผีเป็นถูกคือทำอย่างนี้เปลี่ยนร้ายเป็นดี และเบียดปฏิบัติต่อตัวเองอย่างนี้จะได้สนุกจะได้เห็นใครมีกิเลสตัณหามากและจะได้รู้จะได้แก้บางคนก็มีนิสยัยหลาค่าเจล็ดมากมีแต่พปงวงต่างๆเกิดเตียนเตียตัณหาบางคนก็มีโทวัติศาสเฉลี่ยน้อยที่จะโกรธอะไรก็คว่ำโกรธออกนะ แทนที่จะเห็นความเก่งเห็นผิดเท็นถูกของคนอื่นอยา่างวันหนึ่งไปกรุงเทพขากับรถหมูขับรถขากับขึ้นสะพานเราก็จะขึ้นสะพานก่อนวิ่งตามหลังเราก็ขึ้นสะพานเราวิ่งก่อนแต่เรารู้เลนช้ายเราเลยไปขึ้นสะพานาตัดหน้าก็ไปเลนขวาเขโกรธ กอดรถของน่าลุ ม, มาชี่ขับรถอย่างนี้มิมใช่ไม่ได้แต่ที่จะบรรูุธรรมโอ้โถคนผิดคนถูกก็มีอยู่ในโลกเลยไอยทำผิดก็ อ, อกมาโกรธหรือน่าจะช่วยกันน่าจะชิดเออเขาไม่รู้เนอะได้บรรูุธรรมเนอะตรงนี้ไหถ้าเพิงโกรเป็นโกรธผิดพลาดใชแล้ว ไม่ได้เปลี่ยนสักทีกูดเสมอไปทุกเสมอไปมีโอกาสบรรลุธรรมเยอะนอกจากมาเห็นจากตัวเองมันเห็นจากสิ่งฝ่ายนอกสิ่งแวดล้อมคนอื่นทำไมโกรกคนอื่นทำไมโทคนอื่นทำไมสูุมากไงยอะไรก็ตามดินฟ้าอากาศแดินวัตถุกรรมต่างๆ มีแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยทำาห้เราหลงให้เราเกิดเราต่างๆมากมายเราจึงดูแลให้มันคุ้มดูแลกลายใจนี่เกียบโลกจเหนือโลกได้ด้นละปฏิบัติทำไยจะอยู่เหนือโลกเลยทีเดีย ว, ลวเลยลุยมันเลยอะไรมันมีเท่าไหร่นอกจากโลกมันมีวัหถวการมมากมาย ในรูปในนามในกายในใจนี่มีความมาเที่ยงมีความมาทุกข์มีความ ม, ม, า ม, มใช่ตัวตนปวดเที่ยงที่ใดเว็นทุกข์ทุกตีเป็นทุกข์ที่เลยเป็นทุกข์ทุก ท, ก ท, กทกีอยู่จางนี้หรือเราออกจากหน้ากรรมการเกิดการแก่การแก่แกแกแกปัญตรตายเั็นพิพากษาตัดทินไว้แล้วชีวิตของเราเดินไปสู่ความตาย เราจะต้องยอมจํานวนเลยนงองเป็นเกณฑ์มองเป็นโจทย์ตัวใหญ่หลายอย่างที่เป็นโจทย์ที่ทําให้เราต้องเป็นจําเลยอยู่ตรงนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันน่าจะกระตือ ร, รือร้นเกิดภาจิตตะเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายออกาเป็นโจทดฟ้องตัวเอง หาคำตอบวิธีใดวิธีหนึ่งถามพระเจ้าปู่พระเจ้ายาพระเจ้าตายพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้เลยจะต้องไปอย่างนี้เลยจะต้องมาลองให้อยูน่นี่เห็นคนตายเห็นคนลงห่มลงให้เสียใจจะเป็นอยู่นี่เลย อ, อะเราเียนมันต้องมีตรงกันข้าม มีเกิดต้องมีไม่เกิดมีเจอต้องมีไม่เจอมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายมีกลางวันก็มีกลางคืนมีร้อนก็มีหนาวอะไรก็มีตรงกันข้ามอย่างนี้ตั้งแต่ประจุบนอายุสิบเก้าสิบหกพรรษาได้เห็นเรื่องนี้จึงคิดหนักหน่วงมาก ในฐานะที่เป็นเจ้าผ้าชายจะต้องยอมแล้วนี่ต้องหาคบ ต, บตอบมันมีวิชาเจรณะที่จะต้องคิดไม่ยอมจำนวนจนสว่งหาจนถึงว่าฉบังยุยี่ 000. 000. สิบเก้ารษาได้ส่งออกกันหนดค้นหาเรื่องนี้แทบเป็นแทบตายตัวเหลือแต่หนังหูงกระโดก เดินได้จนหกปีตัวจะได้พบทางปีที่หกนี่อะไรก็ทำมาหมดแล้วมันเหลือแต่คิดใจนี่เหละกรนาดปัญจวิชีได้หามหลงอามน้ำหามขึ้นฝังไม่ยังโกรธยังมีจิตเดตนหนาคิดถึงอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของคิตใจแน่นอนจะเอา บาเพ็ญนักกิจโดยชว่ามันจะเป็นอย่างไรอนที่บำเพ็ญนกกิจต้องมีกําลังมากินข้าวมาฉันข้าวหนังสุอจดายอันาที่หกจึงมีกําลังขึ้นบาลแล้วมันนั่งใต้ต้นโพมาดูมันรูฤชิมันจะเกิดอะไรขึ้นมาตาทิ้งใจแน่แน่จะดูมันดูเห็นอะไรที่มันเกิดจากใหก็กลับมาลู่จุดตัวลู่สึกตัว เดีวชคืนเดียวเนี่ยจริงจังหลงที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งหลงสองข้างรู้สองข้างมันจะเกิดอะไรขึ้นมาทุกที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งโกรธที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งกลัวที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งอี้อาจจะลำบากคนเรานั่งต้นไม้ต้นไม้ลมไม้เดือบยงดินไรงูสัดเลื่ยกาน ฝนตกก็เบียกแดดกก็ร้อนนี่เรายังอยู่ในที่นี่มีเพื่อนมีมิตรกิตกทอยู่ห้องลำพังทังเดียวเลยอาจจะว่าเวเศ้าหมอ ง, ง, งหง่หงอยหัวตายทำท่าจะเป็นร้อนเป็นหนาวเจ็บไข้ได้ป่วยนมื่ากไหที่มันจะคิดขึ้นมายัางสู้ได้เรานี่ยังอุบุญใจ เป็นร้อยร0อสองร้อยเป็นเพื่อนเป็นมิันยังมีผู้พูดผูด้ฟังผู้ขี้ียงให้ฟังอยู่น่าจะสะดวกเลยบอกเลยว่ามีสติปรญญากายเราก็ทำได้เอามือวางไว้เขาด้วยเชื่ลูได้พลิกมือขึ้นก็ลูยุกมือขึ้นก็ลูนี่เหยียบเช่นทางได้แลวเอามาคิดไปก็ว่าลูนี่ลูอยู่นี่ลูอยู่นี่ตั้งไปนี่ เป็นนิมิตเป็นที่เกาะ อ, อาการเป็นนิมิตไปก่อนจะจับจิตใจเลยไม่ได้การเปิดจิตใจก็ไม่เป็นทานนงกิดมาลู้ที่ก่อนมันก็เท่ากับบำเพ็ญทางกิดนั่นแหละมันจะได้ลู้อยู่นี่การลู่จุกตัวรู่จกดัวก็เป็นบาเพ็ญทางกิดแล้วรายกายเพื่อนไวการเป็นขมลู่จุกตัวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาลู่จุตัว หลายรบหลายข้างหลายหนแล้วก็เห็นอันเดียวก็คุ้นหน้าคุ้นต่อชับนามขึ้นมาทีแรกเห็นเป็นกายต่อไปต่อมาเห็นเป็นรูปเห็นเป็นเป็นรูปเลยเนี่ยเป็นรูปเป็นนามรู้จักเคลื่อนไหวรูจ้จักรู้อะไรได้เป็นรูปเป็นนามมาใช่ยกายอันกายมันจนง่าย เร า, า, า, นนาเห็นเป็นลูกเหมือนแตกฉานกายกายมันสั้นสั้นมันมันจนตัวร้อนคือกายร้อนตัวโกรคือใจโกรธโอ้ยมาเห็นเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เรียกว่าร้อนไปใช่เรียกว่าโกรธมันเห็นเป็นหนาการเป็นนาการที่เกิดกับกายกับจิตใจ มันต้องเรียกว่าโกรธมันต้องเรียกว่าร้อนมันต้องเรียกว่าหิวมันต้องเรียกว่าหนาวเพราะมันมีวัตถุาอาการที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่เกิดกับกจิตก็เป็นอาการ อ, อ า, ารมณ์เป็นอาการเป็นอากาทุกข์ที่มันสัมผัสไม่ใช่ จ, จิตจริงๆเช่นความโกรธเป็นอาการที่เกิดกับจิตไม่ใช่จิตเอาไอว้รู้ว่าแปลว่าความโกรธเป็นเรา ตามตามขมโกรธจนเสียผู้เสียคนเสียเปรียกขมโกรธตามตามขมทุกจนเศ้ามองกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียเสียขมทุกไม่เคยรู้จักตัวออกมาเห็นรูเห็นนามมันก็แล้วก็มันก็หลุดหลุนได้ง่ายๆมันเห็นหลักเห็นเช่นไม่มีที่เกาะที่ติดโอ้หนาม สามความเป็นจริงมันเป็นรูปธรรมดารูปนีมันเกิดขึ้นต้องอยู่ดอไปยไม่ความไม่เที่ยงไม่ควมเป็นทุกข์ของมันเองย่าทุกข์มาเป็นทุกข์ให้เห็นมันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์บางทีความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ในเที่ยงที่ใดเกิดจากรูปสิ่งใดที่เกิดรูปก็มี ไม่ใช่จะลูกของเราคนเดียวหัวพันไปแล้วอย่างมีบุตรปัญญาสามีผี่น้องพ่อแม่มันก็มีความไเทีย่ยวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดออกมาเป็นทุกข์ออกมาเห็นมีสติเข้าไปดูเห็นมันรูกทำนามธรรมธรรมชาติ นอกจากรูปน้ำนะครับเป็นรูปธรรมน้ําทําเป็นธรรมชาติของรูปธรรมชาติของน้าอาการนี้มันเกิดขึ้นกับรูปถ้าละอองฝนก็ต้องหนาวแสงแดด ก, ก็ต้องร้อนมันเป็นอาการของรูปของธรรมชาติที่มันสัมผัสกันมาเหมันร่มมันหนาวมันก็ไม่ใช่รูปมันมีน้ํา มันมีไม่มีอาหารในลาไส้มันก็หิวธรรมดาการของรูปมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัญญาณภัยของมันถ้ามันไม่มีอย่างนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยมันจิตหายเราจึงไม่ควรจะหลงเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นน้ำธรรมมันทําดีมันทําชั่วรูปธรรมน้ำธรรมําดีทําชั่วเป็น รูปทำน้ำทำมันหนึ่งมันเป็นธรรมชาติรูปทุกน้ำทุกก็เป็นทุกของรูปก็มีอยู่หายใจเข้าหายใจออกต้องต้องเป็นอย่างนี้ต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้อ ง, งนอนเป็นรูปทุกน้ำทุกถ้ากินแล้วไม่ถ่ายก็ไม่ได้ทําไม่ได้กินก็ไม่ได้กินมากก็ไม่ได้ ถ้าหนาวก็ต้องห่มผ้าเป็ลูกทุกหนาวทุกขหายใจเข้าหายใจออกต้องผมมันเป็นกองทุกจริงๆลูกนี้เดินรูปที่มันเป็นสัมพันชาติของเหมือนทุกฝังอย่างแค่ไม่ได้ทุกฝังอย่างแค่ได้เช่นควาโกรธแค่ได้หิวข้าวแค่ไม่ได้เป็นแต่แบ่งมันเทาอานควาโกรธอ่านปรงกระแิงแค่ได้ โกรธเปลี่ยนไม่โกรธเปลี่ยนได้ไม่ต้องโกรธจนตายหลงจนตายทุกจนตายทิ่มเกิดกับใจเลยมันเชื่อได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่อย่างสังขารเปลี่ยนไม่วิสังขารปรุงหยุดปุงไม่ต้องปรุงหยุดดอยวางได้เย็นได้นี่มันทําได้ปฏิบัติได้จริงจริงปฏิบัติทำเนี่ย ถามใจเดี๋ยวนี้เวลานี้นาทีนี้วินาทีนี้เป็นปัจจตังของทุกคนอมันหลงเองลู่เองทันทีมาพ้อมกันในข่าวเดียวกันมันสนุกนะปฏิบัติธรรมได้เปลี่ยนไล่เป็นดีที่เกิดกับการกับใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นงานชอบมันเป็นกรรมการกระทำที่ชอบที่สุดได้มือดูแลตัวเองให้ ปกตไปได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกได้เปลี่ยนที่มันอะไรที่มันไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องน่มันจะเป็นช่องทางไปเห็นกระแสไปเกิดความหลงเห็นกระแสความไม่หลงไม่จนง่ายเรามาันทุกเกิดกระแสเห็นความไม่ทุกมันจนไม่จนง่ายมีทางไปไ่พบทาง ชีวิตได้ชีวิตได้ต่อยอดชีวิตใหม่ๆด๋งกลายเป็นความรู้ใช่แล้วต่อยอดใหม่ทุกข์กลายเป็นความรู้ใช่แล้วต่อยอดใหม่ความโกรธกลายเป็นความรู้ใช่แล้วต่อยอดใหม่จิตต์ตัณหากลายเป็นความรู้ใช่แล้วต่อยอดใหม่มันจึงใหม่ขึ้นมาไม่เปิดเพื่อนมีจะตีเห็นไม่เป็นกับเป็นพระเป็นภูมจันทร์มีศีลขึ้นมามีระเบียบวินัยขึ้นมา มีวินัยนำไปสู่ความหลุดพ้นทุกเรื่องทุกเหล่ามีทำมีวินัยขึ้นมาทำละทำต่างกันความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมความทุกข์มันเป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมเกิดขึ้นกับที่การกระทำของเราเนี่ยปฏิบัติธรรมทำตามธรรม มีวินัยปฏิบัติกับตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อมีวินัยปฏิบัติกับตัวเองเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ก็มีวินัยปฏิบัติต่อนอกตัวเองเป็นระเบียบเรียบร้อยจย่งอื่นวัตถุอื่นการคิดการทําการพูดจาภ่าใสเป็นระเบียบเรียบร้อยไปการใช้ชีวิตในจำบัน การช้ชวิตร่วมกับโลกกับสังคมมีระเบียบว้ไหนเกี่ยวข้องกับเชิงต่างมือห้านิ้วสิบนิ้วทำให้มันดีอะไรที่มันไม่ดีทำให้มันดีนี่เราต้องขอโทษต้นไม้สามต้นขอโทษต้นไม้สามต้นอยู่ในกระถางเราไม่เห็นตายไป เหลืออยู่ต้นหนึง่งจะมีสีเขียวๆ เ, เราก็ต้องขอโทษเออเราไปเห็นนิ้วมาให้น้ำลองดูพื้นพูดเราจะคืนมาให้ไหมเราจะช่วยทุกอย่างสิ่งที่อยู่ในโลกในที่เราสามารถช่วยได้ในรัศมีในสายตาของเราเราจะครองทรัพย์สิ่งของทั้งหลาย เราจะไม่เบียดเบียนอะไรทั้งมันก็เป็นไปเองของมันเองจะดูแลจะไม่เบียดเบียนทำให้เราเดือดร้อนถ้าเราไม่ฝึกตัวเองแม้แต่เราก็ทำให้เราเดือดร้อนทุกจนกินข้าไมาลงตัวเองทำตัวเองบางทีเบียดเบียนกันด้วยบางที่เป็นผัวเป็นเมียกันก็เบียดเบียนกัน แม่พกูกหาลูกหลานทุกเท่าเราก่อทะเลาะกันทำลายกันฆ่ากันก็มีอะไรมันจึงทำอย่างนั้นศาสนาคือสอนคนให้คนเป็นคนดีนี่เป็นที่พึ่งได้หลุดพ้นได้ทุกอย่างสอนคนนี่แหละคนก็มีกายมีใจละบานสอนกายสอนใจนี่หละ สาสนาเจริญแค่คนมีคนดีไม่มีความชั่วเกิดขึ้น้คนมีชินมีทรก็เป็นอันเดียวกันเพิ่งหาใจ่กันได้เรานึกเป็นสัตว์สังคมมีผัวมีเมียมีพ่อแม่มีลูกมีเต้าาะยิ่งดีอย่่จะได้ดูแลกันจะได้ช่วยกันนอกจาก ครอบครัวเราเน้วนอกจากตัวเราก็ไปเป็นประโยชน์ต่อผลใกล้ชิดเมื่อเราเป็นคนมีธรรมประจําจิตใจก็จะเป็นเส้นเป็นสายไปในทางที่ดีที่ชอบเดีย๋ยวนี้ตัวมีใจมั่นใจตัวเองไหมเดี <c oughs> ย๋ยวมีจิตใจก็เพิ่งใจไม่ได้ ไม่มั่นใจตัวเองก้มร้ายก้มดีมันจะปลอดแัลไงมีค่าอะไรชีวิตเราเนี่ยอ๋อตั้งแต่เร็วนี้วันนี้หล่ะเราจมมั่นใจตัวเราเอย่างจะทำํำทำดีน้ำมือหนิว้วชิ้นนิ้วจะมาทําอย่างนี้จะไม่ทําอย่างนี้จะไม่ทําลายอะไรต้องเอ็บจริงๆริมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่พ่านสมบัติเกิดอยู่ที่รูปที่น้ํามนี่หาที่อื่นไม่พบ น้อย่อื่นไม่พบจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปลูเรื่องศาสนาลู่เรื่องพุทธศาสนาบุญกคือรู้ไม่มีสิ่งที่หลงเกิดกับกายกับใจบาปคือไม่รู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปรื่องนาไม่รู้ตัวเองแต่นี้รู้ตัวเองแค่เกณฑ์รูปทั้งรูปนามในรู้อย่างจริงจังรูปทำนามทำรูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินามสมมุต ความเท็จความจริงเกิดกับรูปความหลงไม่จริงความไม่หลงไม่จริงความหลงเป็นสมมติบัญญัติความรู้ตัวเป็นประมัทชัตจักระความโกรธเป็นสมมติบัญญัติความไม่โกรธใจดีเป็นประมาทชัตจัตระพึงได้พึ่งได้อ๋อเฉยได้สาสนาคือคนดีเป็นคนดี คนบาปสวรรค์นิพพานคือคนเป็นคนดีเย็นเย็นเละไม่มีภูมิแพ้ไม่มีพิษไม่ภัยต่อตัวเองและคนอื่นคนไม่มีพิษไม่ภัยต่อ ต, ตัวเองเราไม่รู้แต่คิดก็กัดตอดตัวเองแค่เจ็บปวดเจ็บปวดเพราะความคิดตัวเองเพียงความคิดเฉยๆก็น้อนตาไหล คิดเฉยๆก็กินมาดาคิดเฉยๆก็หนอนมาหล่วเพียงความคิดเท่านี้ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่รู้ไม่มั่นใจเอาความคิดมาลงโทษตัวเองความคิดที่ไม่ไตั้งใจไม่มีตัวเมตตนเป็นสมุทัยสังขารเราจึงมาลูมาฝึกมาผนตัวเองให้ได้พบเห็น โดยพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นแต่พบเห็นแล้วมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเราเห็นงูงูก็กัดเราไม่ได้เราเห็นอะไรที่มัเกิดกับกายกับใจนีงทำได้สำเร็จอันนี้พูดในความป็นหนทาธรรมวิธีหัดก็มีตามผู้เจ้าสนอนอาญานุปัจนามิชติเห็นกายอยู่เป็นประจำ เห็นเวลาที่มันเกิดกับกายกับจิตเป็นบไปทุกข์เห็นความคิดที่มันเกิดจากจิตอย่าไปหลงเงินให้ลูกจากตัวอย่างเดียวตัดเข้าไปตัดเข้าไปเออตัวที่เรามาลูกก็มาทานกลับมานี่ยกมือช่างจะหว่าให้ลูกอยู่นี่งานไปก่อนมันก็อ น, นุบาลไปก่อนถ้ามาลูกแล้วมาต้องยกมือช่างจะหว่าลูกไปเลย ยังมาฝึกตนสอนตอนตัวไขตัวมันช่วยกันไม่ได้หลงก็ต้องเปลี่ยนรูปเอาเองทุกก็ต้องเปลี่ยนรูปเอาเองมันมาให้เราเปลี่ยนให้เราได้ศึกษานี่อย่ามาเชื่อไปทำตัวก่อนเชื่อการกระทานะรู้ว่าหลงอะไรเชื่ออะไรอนมันทุกข์อ่าความรู้ก็จะเชื่อความทุกข์จะเชื่อความรู้สมผัดดูสมผัส ด, ดูไม่สมผัสเอา จะได้คำตอบจะได้เลือกเป็นมีอยู่ในชีวิตของเรานี่มันแสดงให้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงกรอบเทศของจริงนี่มันเกิดกับการกับใจเรานี้เนา ะ, <c oughs> นะะสมควรเจอเวลา